มันไม่จําอะไรไว้ในในอย่าความจํามันยังไม่ยังไม่ได้จําไว้แต่ถ้าลองลิ้มแล้วมันจะจําถามว่าใครจําก็ความจําำมันจําไม่ไม่ใช่ใครเลยครับจําแล้วเนี่ยมันหยหาโหยหาแล้วมันมันจําอารมณ์ได้ดังนั้นมันรีคอนสตรักขึ้นมาใหม่ผมใช้าษาฝรั่งฮะมันสร้างความจําันนั้นมาอีกทีหนึ่งนู้นเรามีสิ่งที่สําคัญเนือคือพลังนาจของสมองพลังนาจของจินตนาการ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 ตรงนี้มันพูดถ้าถามซ้อนมาแล้วจะทำยังไงโอ้ที่นี้ยุ่งแา้ครับมันต้องนำเข้าไปสู่เทคนิคเช่นสิ่งแวดล้อมต้องได้ยินได้ฟังบ่อยหัดจเจริญสีตั้งแต่เรื่องง่ายไปสู่ยากการสร้นจังหวะยกมือแบบหลวงเสียงก็ใช้ได้ที่จริงเนี้ยอนาปาก็ดียุบหนอมของนอ ก, ก็ดีทั้งนั้นเลยครับแต่จะไม่มีเทคนิคหนึ่งเทคนิคใดโดยเฉพาะที่นําไปสู่จุดจบเทคนิคมันอาจจะนําเราออกจาก วงกับปัญหาบางท่อนบางประการแต่ว่าทางยิงไม่ได้อยู่มันเทคนิคเทคนิคสร้างทางไม่ได้ครับเมันเหมือนว่าเราต่างคนนต่งอยู่กระหมู่บ้านนะแล้วก็มีไฮเวย์สายกลางผมโดยธรรมชาติอยู่หมู่บ้านกอก็ออกจากหมู่บ้านกอเพื่อเข้าไฮเวย์แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามขออยู่หมู่บ้านขอก็ออกจากหมู่บ้านขอ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 ซึงต้องการขั้นตอนหนึ่งทําะไรสลับหลุดจากเทคนิคต่างๆให้เหลือชีวิตล้วนๆสติอันนี้ไม่ใช่เทคนิคแล้วนะฮะสติภายในนี่ไม่เกี่ยวกเทคนิคครับชีวิตซ่อนศักยภาพที่สามารถศักิรภาพแห่งอิสระภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวเม็ดพืชซ่อนศักยภาพที่เติบโตเป็นต้นสายข้อสําคัญที่สุดเราต้องทําถูก และเข้าใจถูกต้องนะเหมือนใครสักคนหนึ่งเขาจะผิดไปเอาเม็ดกลวดซึ่งก้อนคล้ายเม็ดถนนนะี่นะเข้าใจเป็นเมน็ดถนนเอาลงดินส่วนดินอย่างดีใส่ปุ๋ยลดน้ำเท้าเย็นไม่ให้บกคล่องเลยสิบปีก็ไม่งอกครับเพราะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นมันไม่มีเชื้อรู้อยู่ในนั้นศรัทธาเท่าไหร่ความเพียนเท่าไหร่กลายเป็นศูนย์หมดเลยนะแต่เม็ดถนุนนั้นเป็นมีเชื้อชีวิตของเม็ดถนุน อยู่นะขอให้ดินธรรมดานะครับไม่ใช่ดินดานหรือลงไม่ถึงดินดินธรรมดานะลดน้ำกนะ็ธรรมดานะไม่ต้องโชคชุ่มทั้งวันทั้งคืนความเพียรเท่าที่มนุษย์เรามีจนเรารู้สึกได้เราเพียรแล้วนี่สําคัญเนนะื้อมาตรการนี้หลายเรื่องจะบอกเราเราได้รับผลตอบแทนตั้งแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้แจคนะค้ความเพียรแต่โชคช่วยความเพียรอนี้คือเรารู้สึกว่าตัวเรากับความเพียรนี่แมตช์กันเพอคนพบ ผมใช้ภาษาฝรั่งนะขอโทษนะมีความรู้สึกเ n e r g e t i c กระชับเข้อแข็งขึ้นในการภาวนานั่นแหละครับความเพียรนี่เหมาะสมถ้าเกินเนะื้อความเพียรเกินนี่เป็นอุปสรรคดังนั้นพระเจ้าจึงเตือนพระคำนีบอกว่าธรรมชาติของ ข, ของอินทรีย์ห้าย่อมได้สมดุลกันจึงจะออกก่อนศรัทธาเกินนี้ไม่ได้ถ้าศรัทธาลําหน้าจนจนกระทั่งกลายเป็นเซนติเมนตอนน้าหูน้ําตาไหลล้มเหลวครับ ปัญญามากฟุ้งั้านง่ายขันตีมากแล้วปัญญาหย่อนไม่ได้ครับสมาธิน้อยกนแวงไม่ได้ธรรมชาติเหล่านี้ต้องได้สมดุลพอได้สมดุลแล้วมันจะปารากฏผลออมาทําได้ก็สันนั้นครับเหมือนเบาลูกเม็ดธนุนเนี่ยทุกสิ่งก็ได้สัดส่วนแต่ก็คือเม็ดธนุนธรรมดาอย่างไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษอะไรดังนั้นคําถามที่ถามนะฮะจากพื้นฐานของสติธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าต้องฟุ้ปฟักจนกระทั่งสตินี้นะ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 เวลาปฏิบัติธรรมนี่สิ่งหนึ่งคือการสร้างอุปนิสัยที่ขยันขยันขันแข็งที่จะดูใจเดินจงกลมคนขยันเนี่อลับรองได้มันมันเริ่มค่อยๆสลายไอ้ความทาุกข์เจ้าความเหนื่อยเหนื่อยเนะียความลา้าความท้อแท้เนี่ยจะถูกทำลายลงนี้ด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยการตื่นเช้าโดยโดยหลักธรรมเนี่ยมันมีพื้นฐานของกูมธรรมที่นําไปสู่ปัญญาชั้นสูงนั้นง่ายๆทั้งสิ้นครับเช่นรู้จักกินรู้จักทช้ โพชเนมัตตันอยู่ตาเริ่มต้นในบทง่ายๆเนี่ยแล้วอินทรียสังวรามรวยในการใช้ตาใช้หูระมัดระวังโดยเฉพาะใจคุมไม่ให้มันตื่นเต้นเปิดเปิงครับแล้วก็ชาคลิยามโยกฝึกทําเป็นเครื่องตื่นรวมนึ่งตื่นตัวและตื่นนอนตอนเช้าเช้าด้วยครับทําอะไรด้วยดวงจิตที่แจ่มใสด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ง่ายมากๆครับแต่แน่นอนนะครับการประคองให้พื้นฐานนี่ เกิดใหญ่เป็นงานอีกด้านหนึ่งซึ่น้องอาศัยสิ่งสว่าวร้อมโดยเพื่อยิ่งสว่าวร้อมที่เรียกกัลยาณมิตรตามิตรที่ดีผมมิตรที่ดีนั้นเราไม่มีข่มดันในการถ่ายถามเป็นปัญหานะแล้วก็ประเด็นที่ถามผมสรุปเลยนะตามประสบการณ์นะเพราะว่านี่นี่มันอยู่นอกหลักการนดหนยโดยหลักนั้นถูกแล้วครับที่ว่าเมื่อเราค้าเกิดโทรศัเกิดให้พิจนนารณา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 แต่ถ้าเป็นระบบที่ไปทําสมาธิแบบเข้าชงมสารเกิดอาหาังการเห็นคนอื่นสกปรปกทั้งนั้นฆ่าคนเดียวบริสุทธิ์แต่ถ้าเด็กพัสสนจะเดินนิพสีนฐานจะเข้าใจทันทีว่าทุกคนบริสุทธิ์ทั้งนั้นครับโจรก็ บ, บริสุทธิ์ครับแต่เขาไม่รู้ตัวตรงนี้มันจะนําไปสู่ humanity ครับมนุษยธรรมศาสนาธรรมนั้นมีสิ่งสําคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ลางเลือน ศาสนามขาค่อยๆเข้มโงวดตัวมันเองกลายเป็นคติความเชื่อเป็นจำเผ่าพันธุ์ซึ่งนั้นอันตรายมากครับจริงๆฐานรากของศาสนธรรมคือมนุษย์เทียมมันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นนักบวชแล้วไร้มนุษย์เทียมเรารับได้ไหมเรารับไม่ได้เลยในการพัฒนาประเทศชาตินั้นรากแก้วของการพัฒนาคือมนุษย์เทียมครับ มสมาชิตของรัฐต้องจับตามองการกระทำใดของรัฐบาลนี่ร้ายมนุษยธรรมบ้างในการผลักดันผู้ลิภัยอุปยพผู้ผู้ประสบชะตากรรมออกนอกประเทศนี่ร้ายมนุษยธรรมหรือเปล่านะฮะอันนี้ดูผมพูดงนอกเรื่องนะก็คำถามนั้นคิดว่าได้ตอบแล้วนะครับคุ้นอย่างยิ่งกับความรู้สึกที่บริสุทธิ์จนกระทั่งว่ามันแผ่กมัมมนภาพออกมาในตัวมันเอง เมื่อกดทบอารมณ์ราคาราคะตั้งอยู่ไม่ได้ครับตกไปโทสะเข้ามากระทบแล้วก็ตกไปถ้ามันตั้งอยู่นานเราก็หวั่นไหวห น, น่อนะซึ่งกลไกอันนี้จะถูกปลุกไอ้ความรู้สึกชักวาย น, นี้มีซ่อนอยู่ในเราแล้วครับมันจะทําจิตมันเองโดยหลักท่านถือว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนบุรุษที่แข็งแรงอยากนึกอยากจะสลับแขนจะทําได้ดังใจนี่หมายถึงภาวะของอรหันเนื แต่แค่โซดาบอกทันอุบมาเหมือนน้าที่ลาดบนใบบัวมันมีช่วงที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่ติดลาดไหลมีช่วงเรียกว่าราคะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทีจริงนั้นพวกราคะโทสะโมหะเข้ามาเพื่อทําให้ปัญญานั้นคลมข่ายเหมือนที่พูดแล้วครับไม่มีกิเลสเข้ามาให้กระทบปัญญาจะไม่ไม่ส่องแสงคุณจะไม่ทําหน้าที่เพราะว่าถ้าขืนทําหน้าที่โดยไม่มีเรื่องจงทําเหมือนคนบ้านะ ไปทํางานต้องไม่มีงานจะ ท, ท, ทําที่ฉันมาถามคุณทางว่าคือแบบว่าไม่หาไม่หาบุญนอกเขตพุทธศาสนาอ๋อบุญในเขตนอกพุฒธรรมอ๋อครับดีนะเพราะว่านั่นเป็นเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธทั่ไปรู้กันนะครับว่าแต่ว่าความหมายมันคุ้มเคือยวซึ่งเราต้องทําความกระจาย ไม่สแสวงหาบุญนอกขอบเขตของพุทธศาสนาถ้าพระพูดนี่มีปัญหาคล้คายๆต้องทําบุญกระชั้นเท่านั้นใช่ไหมฮทีนี้เราต้องพิเคราะห์ว่าอะไรคือขอบเขตของพุทธศาสนาทีนี้พิอเคราะห์แล้วยังไม่พอต้องดูตัวอย่างของจริงจากพระพุทธองค์บทบาทของท่านนะฮะอย่างเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทุนถวายเวรุวันนะครับ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 อีกอันหนึ่งคือไม่ควรทำบุญชนิดที่ทำให้ก่เกิดทุกโศกขึ้นแก่มวลมนุษย์หลายปีก่อนมีองค์กรหลายองค์กรในประเทศนี้เรียกอะไรเงินทำบุญเพื่อจะาซื้อปืนไปฆ่าคอมนิตแล้วมีพระบางรูปเห่าหาเนื้อนานะพูดว่าฆ่าคอมนิตไม่บาปเท่าฆ่าปลาให้พระกิ น, นก็ไปกันใหญ่แค่านั้นเองนะดัง น, นั้นลรกควรจะทำบุญด้วยจิตใจซึ่งใสสะอาด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 วัวร้ายในตัวมันเองเนะี่ยแต่ว่าเมื่อไม่รู้เท่าทันมาแล้วมันจะควบคุมพฤติกรรมเอาแล่วทำให้ชีวิตค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์สิ่งนี้เป็นอุสรรคที่ร้ายกาจต่อมนุษยธรรมนะคือเครื่องจักรเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูงจนลดค่าของความเป็นคนลงรวมถึงความยึด ต, ติดในสถาบันอย่างงมงายเช่นยึด ต, ติดในยกตัวอย่างเช่าจุฬาชาวธรรมศาสตร์ตราบใดยึดมั่นว่า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 ถ้าให้คนอื่นได้ดีก็ค่าต้องก่อนและเองค่อยตามมาทีหลังนะแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงลิ์ยานี่กลางขั้นการทาบุญกุศลนะไม่ขัดแย้งนะครับที่บ้านนะที่จริงที่มาก็เหมือนจะมีมาในพระวินัยนะฮะที่เหมือนจะเป็นถ้อยคำของพระ อ, อนุน์ดยสำไตรผมผมเรียนแล้วครับเรียนลางนะที่ว่าให้ทาบุญในขอบเขตพุทธศาสนา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 การทราบว่าคนเรานี้เวลาตายแล้วไปไหนกันโอ้ครับน่าจะลองตายดูสิจะได้รู้จะได้รู้เรื่องไปเลยนะเป็นคําถามซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นอภิปรายนะ <c oughs> เป็นเรื่องที่เฉพาะตัวงคนที่มีนิสัยในทางนี้ใครรู้แล้วก็ถ้ารู้ไม่ได้จะกลัดกลุ่มมาก <c oughs> มีมีพระลูกหนึ่งในสมัยพุทธกาลถามพระสงฆ์เช่นนี้นะะ แล้วคุกคำพระพุทธเจ้าด้วยครับบอกทำไม่ตอบให้กระจาญเ่ยจะสึกประท้วง <c oughs> <c oughs> พระเจ้าท่านเลยว่าถ้านั้นสึกเลย <c oughs> แล้วบอกท่านไม่ได้ชวนมาบวชเพื่อจะตอบคาถามนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นคําถามที่ที่ชวนคิดชวนแต่จองผมไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าชาวพุทธนั้นต่อเรื่องเราซึ่งสัมผัสไม่ได้ท่านแนะให้วางท่าทีครับ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 ท่นถามรอว่าคนเจ็บคนนี้ยังมีหน้ามาถามหรือเปล่าว่าไอ้คนยิงพ่อมันชื่ออะไรมันใช้ธนูสายอะไรเรื่องแรกคือต้องถอนลูกธนูก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะเนี่ยธนูมาเช่นนี้กับพระองค์ที่ผมเล่าแล้วประท้วงเพื่อจะสิกถ้าไม่ตอบคาถามท่านปัญหาของมนุษยชาติก็คือความทุกข์ไม่ใช่ความไม่รู้ในเรื่องมีมีภพชาหรือเปล่าท่านหน้ามีหรื อ, ร อ, รอมไม่เนี่ย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 เกิดแล้วก็ตายแล้วก็ศูนย์เปล่ามองไม่เนอะช่วงชีวิตที่เราอยู่นี่สัมพันธ์กับบุคกรรมแต่ความเชื่อนี้เป็นป๊อปูล่าบูติซึมครับขอโทษใช่พระราหงเป็นศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งมีพลังในทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าผัวเมียพบกันชาตินี้ก็เพราะแรงอธิ ษ, ษฐานเมื่อชาติก่อนดัง น, นั้นจะเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงได้มากครับ จะอย่าว่าผมจะทิ้งเมียผมคิดหนักเลยเคยรักกันมากี่แสนชาติแล้วจะมาเอาเรื่องนิดเดียวทําไม่ได้ช้างม้าวัวควายนะครับทรัพย์สินทั้งที่มีวิญญาณครองและร้ายวิญญาณนั้นรู้แล้วตะเกิดจากบารมีที่สั่งสมมาเคยทําดีมาชาตินี้ยิงได้อย่างนั้นชาติก่อนเคยทําบุญมาชาตินี้หน้าตาสวยงามแต่ท่านมันด้บอกเอาให้ปรากฏนางงามเลยถ้านไม่ได้บอ ก, อ ก, ว, งงบอกว่าเมื่อหน้าตาสวยไปอิรุษฉีแฉกได้เลยนะ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 สิ่งนี้ดีแล้วต้องมุ่งมั่นที่จะเสริมบารมีให้จำเป็นเพื่อถึงฝั่งมีข้อพิสูจน์ทางวิทศาสตร์มากว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดแล้วจบสิน้นเมื่อตายนะครับแต่ชีวิตก่อนเกิดและหลังตายจะนันเดียวกันหรือต่างกันไม่มีใครยืนยันได้นะนี่เปราะหนึ่งนะแต่ผมจะมาถึงเปลาะสุดท้ายซึ่งประเด็นแตกหักเลยนะประเด็นนี้เป็นประเด็นของโลกุตตรธรรมแตกหักกันเลย เพว่าประเด็นแรกเป็นประเด็นทางจริยธรรมและฐานความเชื่อของของฐานล่างของความเชื่อศาสนาในความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นฐานวัฒนธรรมต่อประเด็นแต่อข่าวเนื่องมีเรื่องอย่างนี้ครับว่าเพราะรูปหนึ่งชื่อเมธิยะหรืออะไรผมจำไม่แม่นแล้วนะครับไม่อาจยืนยันชื่อได้ได้แสดงวาทะความเข้าใจต่อคําสอนพระเจ้าต่อหน้าพระภิกษุส์ว่าผมเข้าใจแล้วผมได้ยินมาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ว่าอุตุจรรดินธรรมดานั้น ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตายไปแล้วย่อมไปเกิดอีกตามอํานาจของกิเลสตัณหาส่วนอรหันนั้นเนื่องจากสิ้นอาสวะกิเลสตายแล้วก็ย่อมไม่เกิดฟังดูลาบลื่นดีนะฮะผมเชื่อชาวพุทธทัวไปเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะครับฟังดูไม่น่ามีข้อโต้แยง้งแต่แล้วปฏิยาเกิดขึ้นทั่วถึงกับพระภิกษุซึ่งซึ่งมีปัญญาทั่วไปนะี้ถึงขนาดพนาว่าทําไมคุณกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ ถ้าไม่ได้สอนอันนี้นะนี่น่าคิดทีเดียวครับพรารนั้นก็เถียงบอกได้ยินเฉพาะพระพักเลยพระเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆเพื่อนพระด้วยกันก็ไปฟ้องภาษาริบุตรครับภาษาริบุตรได้ยินนั้งคำมาเลยเพราะว่าพระ อ, องค์นี้เข้าใจผิดจริงๆท่านศักษาว่าเธอก็้าใจอย่างนี้จริงเหรอที่ยืนยันเพราะรุ่นนั้นก็ใจจริงเหมือนกันบอกเข้าใจอย่างนี้จริงๆพระสาริบุตรท่านเรียกโมคะบุรุษเลยนะทําไมเธอเข้าใจสิ่งลามก มาเข้าใจเป็นวจนะของพระเจ้าบางทีเราอาจจะโดนด้วยก็ได้นะ้ีนี้ทัางซักครับพาาาระสารบุซักค า, านซักให้แจมแจ้งนะครับว่าเธอได้ยินคำสอนเล่นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขามนิ ญ, ญานะขอถามว่าในขันห้านั้นมีสัก์บุคคลตัวตนเราเขาหรือมีอรหันอยู่หรือเปล่าอรหันอยู่ในขันในรูปขัน หรือรูปขันมีในอรหรันล่าลุมนั้นก็บอกไม่ขันก็คือขันขันห้าก็คือขันห้านะรูปก็คือรูปนี่แหละมันจะมีอรหันอยู่ในรูปได้ไงคือรูปไม่ใช่อรหรันแล้วอรหันก็ไม่ใช่รูปถ้าจะซักไปต่อหมวดเวทนาอารหัน์อยู่ในเวทนาหรือเปล่าค้นหาตัวอรหันได้ภาวะอรหันอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นี้ได้หรือเปล่าก็ไม่มีสัญญาล่ะก็ไม่มีสังขารล่ะก็ไม่มี วิญญาณก็ไม่ใช่อรหรันอรหันก็ไม่ใช่วิญญาณพะสารีบุตรเลยกล่าวว่าก็แล้วเธอเอาเหตุผลอะไรมาบอกอรหันตายแล้วศูนย์คนธรรมดาในเมื่อตั้งแต่เดิมทีมาแล้วคนสัตว์บุคคลอรหรันไม่มีอยู่ในอัตภาพนี้สักแต่ธาตุล้วนๆเท่านั้นนี่คือความรู้ขั้นแตกหักครับแต่ก็ในที่สุดแลร้รตรงนั้นก็ปลอบความรู้เข้าใจได้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 เวทนาไม่เพียงหนผมจะไพูดเรื่องคนเกิดคนตายอีกแล้วนี่คือความรู้ขั้นแตกหักเลยครับแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าหลากหลายวัฒนธรรมในหลากหลายมุมโลกค้องพวงเรื่องการตายและเกิดนี้มากไม่ว่าอีศิปโบราณหรือทุกคนชาตินเหมือนเป็นปัญหาที่แฝงเร้นอยู่ในหัวใจของปุถุชนแต่ไม่ใช่ปัญหาของอริยเจ้านับตั้งแต่โสดาจนอรหัสนะ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 แต่ผมยืนยันว่าความเชื่อที่ว่าพบชาติมีนั้นมีคุณมากกว่ามีโทษอย่างน้อยเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงเชื่อว่าชาติหน้ามีอีกเราต้องสำรวมันวัระวังการทำกุศลหรืออกุศลนะเพราะมันจะส่งผลสะท้อนกลับซึ่งเป็นฐานที่สำคัญมากทุกคนคิดไว้ง่ายๆว่าเราเชื่อมั่นในเวียนว่ายตายเกิด น, นะครับจนกว่าจะสิ้นปัญหาต่อประเด็นนี้ นี่เขาเงื่อนจริงๆนะว่าชีวิตมันได้เกิดไม่ชีวิตมันจะปรากฏเมื่อเกิดแล้ว จ, จบสิน้นเมื่อตายนะนักวิทาศสตรโซเวียก็พิสูจน์เรื่องนี้มาแล้วด้วยนะฮะแล้วนักเรียนในเรียนวัดนวนลนอริที่เคยทดสอบด้วยเรื่องนี้แต่ผมฟังแว่วๆไม่ดีไม่ชัดเองแล้วใช้กล้องเกเรียนหนึงครับเ้าเรียกเกเรียนบริลเลาฟถ่ายใบไม้สดๆซึ่งภาพที่ได้ผลได้จากการถ่ายทาให้เกิดภาพลวงสง แต่ไม่มีคุณสมบัติของแสงอยางนันเขาเรียกว่าภาพรืองแสงตับก็เรียก plasmaic อะไรก็ไม่รู้นะ p l a s มาแสงเรืองของพล a s m a ไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดานะเุ็ภาพถ่ายลังสีแต่นี่ไม่ใช่จุดที่ผมจะเล่าจุดที่จะเล่าก็คือผูอ้ทดลองได้เด็ดยอดไม้ที่สดๆนดั่นเด็ดออกพอเด็ดปั๊บถ่ายเลย คนได้กล่าว่ามีภาพร่างนั้นอย่างสมบูรณ์นึกออกใว่าว่ า, วาจุดสำคัญมันอยู่ตรงไหนแต่ภาพสมบูรณ์นั้ น, น, นซึ่งใบไม้จริงถูกเด็ดยอดไปแล้วนะเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยแต่พอถ่ายรูปใบไม้จร่งขาดยอดขาดเนี่ยปรากฏภาพเต็มสมบูรณ์ครับแต่เฉพาะท่อนยอดตั้งอยู่ได้ประมาณสี่วินาทีเท่านั้นดังนั้นมีอะไรบางสิ่งครับถ้าเป็นคนจีนเขา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 แล้วอีกอันหนึ่งเสริมนี่นครับเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นก็เป็นปัญหาหสําคัญคนทั่วไปคิดว่าคนทําบาปทุกคนต้องลงนรกทําบุญทุกคนต้องไปเกิดในสวรรค์ทำดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วใช่ไหมครับนี่เป็นเป็น popula ซึ่งบางทีระดับนี้นะครับขัดแย้งกับความเป็นจริงด้วยพระเจ้าอธิษานว่าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าคนบางคนทําดีมาทําดีมาตลอด แต่ก่อนสิ้นลมก่อนจิตดวงท้ายจะดับเนี่ยสมาทานมิจฉาทิฐิมีอบายและทุกขติเลยที่หมายครับคือทำดีมันตลอดเลยทำบุญมันผสมตลอดแต่ว่าจิตดวงท้ายสมาทานมิจฉาทิฐิก็สับสนเข้าใจผิดขึ้นคติเป็นนรกเป็นอบายทุกขติวินิบาต